พระใหม่บวชเข้ามาใหม่เพื่อการศึกษาเราอยู่เป็นครวาสเราก็อยู่ในอีกในระดับหนึ่งเราก็เรียนรู้ในทางครวาสมีวิชาอาชีพหลายอย่างสุดแท้แต่ใครจะเรียนทางไหนเพื่อหาวิชาเข้าสู่ตัวเอง เพื่อจะหาวิชาอาชีพแล้วก็จะได้ดําเนินชีวิตของตนเองให้ราบรื่นสรุปแล้วก็คือเรียนวิชาอาชีพมาเพื่อหาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่คืออะไรอาหารการบริโภคผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือปัจจัยสี่แล้วก็เครื่องอํานวยความสะดวกการจัดเข้าเป็น เครื่องที่อยู่อาศัยจะเป็นรถราจะเป็นอะไรข้อตามจะจัดข้อเป็นเสนาสนะเป็นที่อยู่อาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราอันนี้ก็คือการเรียนการศึกษาแต่ว่าการเรียนการศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนานั้นท่านเรียนอีกแบบหนึง่งคือทําเรียนเข้าสู่ด้านจิตใจด้านจิตใจคือ ใจนึกคิดคือเรียนต้นตอของเรื่องราวต่างๆมันแปลกแตกต่าง ก, กันกับวิชาทาั้งโลกอยู่มากวิชาทาั้งโลกนั้นมีแต่เรียนออกไปข้างนอกแต่ละวิชาแต่ล ะ, ะแขนงพูดอย่างนั้นได้มีความท่องความจดความจำแล้วก็อ่างเหตุและผลแต่ละวิชาอาชีพ ท, ที่พวกเราเรียนจากวิชากเกษตรอย่างนี้ เขาก็เรียนมันจะเป็นยังไงมันจะตอ่อยังไงมันจะออกยังไงต้องศึกษาไปคนหนึ่งศึกษาได้ในระดับหนึ่งคนที่สองก็ต่อได้ในระดับหนึ่งก็ต่อไปเรื่อยจนผลที่สุดสรุปแล้วก็คือไม่มีที่สิ้นสุดวิชาตัวเนี้เพราะมันมีมากมายหลายอย่างแต่ล ะ, ะแขนงจะเป็นวิชากฎหมายก็าตามจะวิชาการ แพทย์การหมอวิชาเรื่องรรมาหาเลียนชีพรรมาค้าขาย ล, ล้วนแล้วแต่เลียนออกไปข้างนอกหาที่สิทธิุดไม่ได้แต่วิชาธรรมะในทางของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนเรียนรู้เข้ามาหาตัวผู้รู้คือแนวความคิดคือความนึกคิดของใจ ใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรแต่ละขณะไม่ต้องถึงว่าเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีหรอกขณะจิตนี้เราคิดเรื่องอะไรเราปรุงฟุ้งไปเรื่องไหนขณะนี้อันนี้ก็คือหลักของพุทธศาสนาหลักของพุทธศาสนาเรียนเข้ามาหาหลักคือใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในครั้งนี้ ให้รู้จักวิธีการเรียนของตนเองวิธีการศึกษาของตนเองออย่าไปศึกษาที่อื่นถ้าศึกษาออกไปข้างนอกไปว่าศึกษาผิดที่ผิดทางแล้วเหมือนกับเราไปเรียนหมอไปหาปลูกต้นไม้อย่างนั้นมันไม่ใช่วิชาของหมอจะไปปลูกต้นไม้เมินเสียจะเป็นงานอดิเรกเออเขาไม่ว่ากันแต่ว่าจอตรวจไปเรียนหมอจะไปเรียนคณิตศาสตร์อย่างนี้อบวกลบคูณหารอย่างนั้น แต่ใช่ยาตัว น, นั้นมีตนนัวนี้อันนั้นก็ปวกรบคุณหารก็ใช่แต่ถึงยังไงต้องยาเป็นหลักแต่ว่าถ้าว่าเราเรียนเรื่องของใจเราจะส่งออกไปข้างนอกอันนั้นผิดผิดทางแน่นอนเพราะนั้นการเรียนการศึกษาเรื่องของใจนพวกเราต้องศึกษาอต้องพยายามศึกษาตามแนวแถวของพระธรรมคําสั่งสอน หรือตามแนวแถวที่ผมจะแนะนำ อ, ะอันดับแรกพวกท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อศึกษากับผมถือว่าผมเป็นอาจารย์ของพวกท่านเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฟังผมจะแนะนำอย่างไร เ, เ, เก็บความรู้ที่ผมได้เรียนมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเมื่อท่านได้เรียนรู้กับผมพอเป็นแนวทางแล้วพวกท่านจะศึกษาค้นคว้าแต่ตามสาหรับธรรมราเพิ่มเติมเขาอีก อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่จะให้พวกท่านทั้งหลายไปค้นคว้าศึกษาภายนอกเลยตัวที่ผมไม่ได้แนะนาสั่งสอนอันนั้นบางทีอาจจะผิดที่ผิดทางก็ได้เพราะนั้นอันดับแรกก็คือพวกเราชีวิตประจำวันนะผมจะแนะนาว่าชีวิตประจำวันของพวกเราเราควรจะทำอย่างไรบางทีเราอาจจะวางตัวไม่ถูก ในชีวิตประจําวันของพวกเราคือตั้งแต่เอาตั้งแต่ตื่นนอนแต่เช้าตามปกติเราจะตื่นนอนครูบาอาจารย์ท่านให้ตื่นประมาณตีสามตีสามตีสี่แต่ว่าตีสี่นี่ก็จะจ ะ, จะสายเกินไปสักหน่อยแล้วประมาณจะตีสามถ้าเป็นไปได้ถ้าธุระการงานอย่างอื่นไม่มีตีสามเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ไหว้พระกราบพระทําวัดเช้าอย่างที่พวกเราทําเมื่อกี้เนี่ย ออย่างน้อยกับขนาดนี้ถ้าอย่างมากก็ให้มากกว่านี้แล้วก็หรื อ, อยังเรียนไม่ได้เากาว่าอารหังสวากาโตสุปฏิปัโนอแลัคนโมตัตชะอย่างที่พวกเราได้เรียนพุทธังธรรมังสังขังสรารนังคัจฉามิจากนั้นก็แผ่เมตตาในจิตใจว่าข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาต ไม่ว่าวิญญาณไหนละไม่ว่าท่านผู้ใดละไม่ว่าสรัรพสัตทั้งหลายข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นทุกวิญญาณก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถน า, เ, าเพียงแค่นี้ก็เพียงพอคือเป็นภาษาใจของตนเองอันนี้คือเราแผ่เมตตาต่อทุกดวงวิญญาณข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นฉัดอื่นวิญญาณอื่นทั่วตรโลกธาตุจะเป็นพระอินทร์พระพรมเทวบุตรเทวดาระดับไหนชั้นไหนเป็นคู่คนในระดับไหนวิญญาณทุกวิญญาณสัพพชัดทั้งหลายข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณนั้นให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาอันนี้ก็คือเราแผ่เมตตาแบบผู้บรัท คือทําให้จิตใจของเราอ่อนเจ้าจิตใจของเราอ่อนน้อมไม่มีการคิดจะเบียดเบียดตนและผู้อื่นไม่คิดเอาเปรียบเอารัดผู้อื่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอันนี้คือเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราแผ่เมตตาจากนั้นเราก็ลุกนั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายอย่างพพุธทพธะปฏิมาที่นั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละนั่งอย่างนั้นแหละนั่งขัดสมาธิ แต่ว่าเราจังพอมีเวลาเราอาจจะเปิดวิทยุของหลงตาฟังก็ได้เปิดแล้วก็นั่งฟังถ้าเรานั่งจะไม่ติดนะเคล้ายๆว่านั่งเรานั่งไปแล้วมันโงกมันงว่นงวงวหรือมันไม่อ่ะนะเราพยายามเปิดวิทยุแต่อย่าไปเปิดดังนะถ้าเปิดดังมันเป็นการบรบกวนของผู้อื่นเขาเปิดพอได้ตัวเองได้ยินเท่านั้นอนะ่ะบางโอนก็เปิดเสียงรั่นรั่นไปหมด จนเดือดร้อนถึงผมผมจะต้องได้บอกอันนั้นกับเหมือนกับเราเข้ามาอยู่แล้วไม่รู้จักการเกงใจคนอื่นเขาอันนั้นใช้ไม่ได้อันนี้ก็พวกทันทั้งหลายเวลาเปิดให้เสียงพอประมาณให้พอได้ยินเสียงขณะที่เราฟังให้ได้ยินเสียงเฉพาะตอนเองพราเราไม่ได้เปิดให้ใครคนอื่นใครอื่นเขาฟังเนี่ยเราเปิดฟังเพื่อตัวของเราจากนั้นเราก็พบนั่งฟัง ได้สักการณ์หนึ่งจิตใจของเราชื้นไม่งว๊ง่วงแล้วก็กำหนดลมหายใจแล้วเข้าอะไรนี้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทคือบังคับใจให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่รู้ว่าลมกระทบที่ไหนที่แรกเราหายใจแรงๆสูตรหายใจเข้าในจมูกแรงๆแล้วมันเป็นยังไง แล้วก็หายใจกระแทกออกอย่างแรงๆและเป็นยังไงลมกระทบที่ไหนในเมื่อเรารู้ว่าลมกระทบที่ไหนเราก็พยายามค่อยคลายลงปล่อยลมลงไปตามปกติค่อยผ่อนลงผ่อนลงจนปกติเมื่อเรารู้ว่าเราหายใจเข้าลมกระทบที่ไหนหายใจออกลมกระทบที่ไหนเราก็เอาจิของเราจับอยู่ที่ ลมกระทบเวลาหายใจเข้าเรากบวกริกรรมว่าพุธเวลาหายใจออกลมกระทบปลายจมูกเราก็บริกรรมว่าโท ถ, ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนก็เหมือนกับฝ่ายยืนอยู่ข้างประตูศาลาของเราเนี่ยเวลาคนมาเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนเดินออกไปเราไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องของเรา เราก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกอข้างนอกของเราคือให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้แหละคือวิธีการฝึกสมาธิเบื้องต้นเพราะนั้นพวกเราให้พยายามฝึกอย่างนี้ถ้าจิตใจมันคิดไปปุงฟุ้งออกไปข้างนอกเราก็พยายามดึงกลับมาให้มันอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็ เวลาเราจะนั่งสมาธิแต่ละครั้งให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตให้แน่วแน่ให้ตั้งจิตให้มั่นว่าข้าพเจ้าจะพยายามทําให้ใจรละจิตของข้าพเจ้าอยู่ในความสงบให้มากที่สุดให้สติของข้าพเจ้าอยู่ที่ปลายจมูกให้มากที่สุดคือให้เรามีความตั้งใจอย่างนั้นไว้อยู่ในตัวของเราอ่นี่แหละเวลามันเผลอไป เราก็ดึงกลับมาหาที่ที่ปลายจมูกอีกอย่างเก่าแต่ใหม่ๆมันก็ต้องยากบ้างเป็นของธรรมดาเราฝึกใหม่เหมือนกับเราฝึกเขียนกอไก่อย่างนั้นอ่ะเราฝึกเขียนกอไก่ถึงหอนกโูกนะว่าที่มันจะโค้งได้แต่เมื่อเราเขียนแล้วเราเรียนรู้ได้แล้วเราจะเขียนยังไงก็ได้ทีนี่อันนี้ก็เหมือนกันการฝึกสมาธิการฝึกจิตของเราขอคล้ายๆนั่นแหละ ใหม่ๆมันก็อควบคุมตัวปัจ ต, ตุเปตุลักทุเล่พอที่จิตใจจะรู้ได้แต่ทั้งยังไงพอเราพยายามฝึกฝนอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ได้ว่าเออจิตของเราเนี่ยมันออกไปข้างนอกอพอรู้ว่าจิตของเราปุ่งฟุงออกไปข้างนอกนั่นแหละเราเริ่มจะดีละทีนี้พอเราเรารู้ว่าตัวเองคืออะไรแต่ก่อนเก่าหน้านี้เราไม่รู้ว่าจิตของเราคืออะไร สติคืออะไรจมูกคืออะไรลมกาหนดลมคืออะไรเราไม่รู้แต่บัดนี้เรากาหนดลมหายใจเข้าสติของเราอยู่ที่ลมแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตของเราอยู่ได้แต่ก็ยังดีในระดับหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเราคุมไม่ได้แต่อีกสักวันหนึ่งข้างหน้าที่นี่เมื่อเรารู้ว่าเราคุมไม่ได้ต่อไปเราพยายามคุมให้ได้ใชฮไหเมื่อพยายามคุมให้ได้ สติของเราเมื่อคุมจับสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกต่อไปจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบความสงบของสมาธิมีอยู่สามขั้นนะคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกาสมาธิเราพยายามเอาสติจับอยู่ที่ปลายจมูกอย่างที่ว่าใจของเราไม่ปุงฟุ้งออกไปข้างนอก ใจของเราอยู่กับตัวเองใจของเราอยู่ที่กําหนดเอาไว้มีสติอยู่ที่กําหนดเอาไว้เรากําหนดที่ปลายจมกูกมันก็อยู่ที่ปลายจมกูกมันไม่ออกไปทางนอกสติรู้อยู่อย่างนั้นไอ้อันนี้เลยว่าจิตของเราเริ่มจะอยู่อต่อไปจิตก็เข้าสู่ความสงบจิตเข้าสู่ความสงบคณิกะสมาธินี่ค้ายๆครับผมจิตใค่ายๆมันจะว่าเผลอก็ใช่ จะว่าลืมก็ใช่อนีอ่ยจะว่าเนี่ยมันเงียบไปก็ใช่ในขณะนั้นอันนี้แรลว่าจิตเข้าสู่ความสงบมันจะเย็นวา่าบเน่ยจิตมันจะรวมจิตมันจะเย็นวา่าบมันผิดปกติของจิตใจทั่วๆไปสรุปแล้วเมื่อจิตจะรวมหรือจิตจะสงบมันจะมีความเย็นผิดปกติกว่าจิตทั่ ว, วไปอันนี้เราคณิกะสมาธิแต่จําไม่ลืมนะ เพียงแค่นี้แหละจําไม่ลืมในขณะที่มันผ่านไปแล้วโอ้จิตของเราได้รับความสงบเพียงชั่วครู่เท่านั้นเองเอก็ยังจาไม่ลืมต่อมาเราก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรแต่เนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เราก็ไม่ต้องคิดอีกว่าอยากจะให้มันเป็นอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องคิดคือมันผ่านไปแล้วก็คือมันผ่านไปถ้าเราจะไปใส่ใจอยากจะให้มันเป็นอย่างเก่ามันจะไม่เป็นอแนะนําได้อย่างนั้น มันจะไม่เป็นเอาตั้งใหม่มันวันที่แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วจบไปแล้วแต่เราพยายามทำใหม่นี่แหละคือเราไม่ต้องคิดถึงที่มันผ่านไปแล้วมันจะงบหรือมันจะแวบปั๊บยังไงกับสุดแท้แต่เราไม่ได้ใส่ใจแล้วมันผ่านไปแล้วเหมือนกับเราทานอาหารเมื่อวานนี่อร่อยอร่อยมากเราจะไปคํานึงคิดถึง เ, เรื่องอาหารอย่างเก่าไม่ได้วันนี้เราต้องกินใหม่หากินใหม่เพื่อ อ, อิ่มท้องของเราอย่างเกา่าอันนี้ก็เหมือนการการทำสมาธิ เราจะไปใส่ใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องที่ผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปอย่าไปเอามาใส่ใจในขณะที่เรานั่งขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานีนะ้แต่ถ้าว่าเราทำได้อย่างนั้นให้จิตเป็นปัจจุบันปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมปัจจุบันในการกระทำปัจจุบันในสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกของเราตลอดนั่นแหละต่อไปจิตของเราจะเริ่มอยู่ละทีนี้ เย่าเขาว่าจิตอยู่แจิตสงบจิตอยู่และจิตสงบผมว่าจิตอยู่จิตอยู่เท่าไหร่จิตมันไม่หิวมันไม่หวยมันไม่ปูงไม่ฟุง้งไม่ซ่านสติสัมปชัญญะควบคุมกับจิตจิตคิดนึกเรื่องอะไรสติของเราจะจับได้รู้ได้ว่าเราคิดนึกเรื่องอะไรในขณะนี้อันนี้เรียกว่าสติ บังคับจิตหวือสติจับอยู่ในจิตอันนี้เลยว่าอุปจาระสมาธิคือจิตไม่ปุงไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยสติรู้อยู่ตลอดไม่หิวไม่หยไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านแต่มีสติรู้อยู่อยู่ในกายของตนเองกำหนดอยู่ที่กายก็อยู่ในกายตลอดมอีอย่างนี้ไมนได้ออกไปข้างนอกอันนี้เลยว่าจิตอยู่ด้วยจิตเป็นอุปจาระสมาธิเนยอันนี้คือในระดับหนึ่ง แต่ตัวที่แรกนะี่ยคือคณิกะชั่ววับเข้ามาแต่บัดนี้จิตของเราสติควบคุมจิตจิตไม่ปุงไม่พุง้งออกไปข้างนอกอันนี้จิตอุปจาระแต่ถ้าว่าจิตของเราพยายามควบคุมอยู่อย่างนั้นตลอดจิตของเราจะเด่งเข้าสู่ความสงบลงไปอีกอันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี่มันจะลงแบบ บางคนก็แบบตกเหวตกบ่อบางทีก็บแบ บ, บูบกลงไป อ, อันนี้เราไม่ต้องคิดนะมันจะเป็นยังไงเราก็ไม่ต้องเสียอกตกใจทั้งนั้นอพอมันสงบลงไปสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นเราจะไม่เราจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเสียงฟ้าร้องฟ้าฝ น, า น, านตกเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรจะไม่ได้ยินทั้งนั้นในขณะที่จิตสงบ ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่หลับนะแต่ uh, ถ้าหลับมันหายเงียบไปเลยนะมันหลับหรือว่าเป็นสมาธิหัวต่อเป็นสมาธิหัวตอเห ม, มือนหัวตอมันอยู่อย่างนั้นอะโดเดี่ยวอย่างนั้นอะอันนั้นแปลว่าตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าใจของเราเป็นไปไหนในเมื่อกี้นเ น, reet, นี่ยมีแต่ลืมขึ้นมาแล้วเอ๊ะใจของเราเป็นยังไงอันนั้นแปลว่าสมาธิหัวตอ่อแต่จิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยไม่เป็นอย่า ง, งานั้น มันดิ่งลงไปล้วจะรู้ได้ในขณะที่จิตของเราใจของเรานิดคิดนึกเครื่องอะไรมันจะอยู่เน่งสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันไดสติเป็นอันนั้นอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่รับรู้ทางกายาทางกายเราไม่รับรู้ตาไม่ได้ยินเสียงหูไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมด แต่ว่าตาเนี่ยเราหลับอยู่แล้วแต่หูน่ะมันดับไปเลยเจ้ว่าดับก้อยใจมันไม่ได้ส่งใจออกมาทางหูหูไม่รับรู้ทางหูเลยจิตใจแน่วแน่นิ่งถ้าจะว่าไปนีเหมือนกับอยู่ในอกของเราเนี่แหละอแต่ในขณะนั้นมันไม่ได้คีดไปอยู่ที่ไหนเน่ะแต่ในความรู้สึกจุดนั้นก็คืออยู่ในกลางอกของเราเอีมันนิ่งพอมันหมดกําลังของสมาธิมันก็ถอนขึ้นมาถอนออกจากสมาธิ เป็นอุปจาระจากนั้นก็ถอนออกมาก็เป็นจิตเป็นปกติธรรมดาอันนี้คือสมาธิไม่เกินกว่านั้นจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยสูงสุดเพียงแค่นั้นอันนี้คือสมาธิเมื่อถอนขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงเราจะนั่งเราจะเข้าสมาธิอีกกาหนดอีกทีนี้เราจะเดินวิปัสสนาก็ได้ทีพอจิตถอนออกมาแล้ว เราก็พิจารณาทางด้านปัญญาเท่นี่พิจารณาเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บธันตาฟันตาโจหนังอย่างที่พระอุปชาแนะนําสั่งสอนพวกเราหรือเราเคยเห็นโครงกระดูกอที่แผ่นกระดูกไหมเราก็เอากระดูกนั้นนะ่ะเอามากําหนดดูร่างกายของเราเนี่ยเป็นกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมอา่าแต่ได้กําหนดดูโครงกระดูกตัวเองท่นี่เอี่ เห็นแต่โครงกระดูกคนอื่นแต่กตัวเองมีโครงกระดูกไหมเราก็รู้ว่าเราเห็นโครงกระดูกของเราเป็นโกรกศีรษะแล้วก็มีฟันมีขากันไกลมีกระดูกคอมีกระดูกแขนมีกระดูกชี้โครงไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกฝ่าเท้าอย่างนี้ให้ดูตัวเองเรามีกระดูกอย่างนั้นใช่ไหมนี่แหละ เริ่มเดินทางวิปัชนาแล้วนะทีนี้สรุปแล้วก็คือวิปัชนาเนี่ยคือวิปัชนึกคือความนึกคิดไตรตรองเหตุและผลเรานึกคิดในเรื่องราวที่บอกมันเป็นจริงไม่ใช่ว่ายกเมฆมาพูดไม่ใช่ยกเมฆมาคิดไม่ใช่มันเป็นอย่างที่เราคิดใช่ไหมไม่เป็นได้ยังไงกระดูกร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นมันเหมือนกันทั้งหมดนะแต่ถ้าว่าถลกหนังออกไปหมด ถ, ถลกถกเนื้อออกไปหมด มีแต่โครงกระดูกมัดติดกันเป็นชี้ๆเป็นท่อนๆมันเหมือนกันทั้งหมดอกระดูกหญิงกระดูกชายเป็นกระดูกเหมือนกันแต่อาจจะผิดแปลแตกต่างกันบอกว่าอันนี้คือกระดูกหญิงนะเป็นลักษณะหนึ่งกระดูกชายแต่กระดูกก็เหมือนกันแต่ว่ามันบางส่วนมันอาจจะไม่ครบเหมือนกันอันนี้บ่งบอกได้แต่ถึงยังไงกระดูกเหมือนกัน เหมือนกระดูกสัตว์กระดูกวัวกระดูกควายกระดูกหมูหมากาไก่มันกระ ด, รรระดูก เ, าาเหมือนกันเราก็เห็นแล้วว่านี่คือกระดูกเราก็เหมือนกันเราก็มีกระดูกเหมือนเขาไม่แพ้กันนี่แหละร่างกายของเรามีกระดูกเนื้อใจนะื้มันมีเท่านี้แหละอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนกระดูกของเราเนี่ยร่างกายของเราก็จะถึงจุดจบคือมรณะคือความตายในเมื่อตายแล้วก่อนเนี่ยร่างกายนจะนอนทับผมแผ่นดิน ร่างกายเนี่ยก็คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธาตุดินคือกระดุกธาตุน้ำก็คือน้นำปัสสาวะน้ำเลือดน้ำหนองเออที่มันผุพองขึ้นมาแตกสลายลงไปน้ำก็เยิมลงไปสู่แผ่นดินแล้วไฟธาตุไฟที่เราตายใจขาดออกไปพอหมดลมหายใจเท่านั้นร่างกายก็เย็นเฉียบ ไ่บอกไฟมันออกจากร่างแล้วแต่ส่วนลมลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ออกหมดอีกหมดลมแต่ลมอยู่ในลําไส้ยังมีอยู่แต่ว่ามันลมอยู่ในตึงเฉยๆต่อมาแล้วแต่นั่นน่ะลมก็ตึงขึ้นไปเรื่อยๆจนพูนตู้ ก, ก็ท้องแตกร่างกายของเราก่อนเน่าเปือ่อยไหลซึมชับลงสู่แผ่นดินลมมันก็เข้าสู่ลมไฟ ความร้อนมันก็ออกไปสู่ไฟน้ำมันก็ไหลแล้วยไปสู่น้ำกระดูกมันจะละลายช้ากว่าเพ่อนแต่อีกสักวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีมันก็ละลายไปสู่ดินของหมเ น, นี่ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถามใจตามถามตัวผู้รู้เนี่ยใช่ไหมร่างกายเนี่ยเป็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใจใจผู้รู้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะปฏิเสธได้ยังไงแต่ถ้าว่าเราปฏิเสธไม่ใช่แสดงว่าเรากิเลสอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยแปลว่าหลับหูหลับตามไม่ยอมรับความจริงทั้งหมดเหนาแน่นมากถ้าเป็นลักษณะอย่า ง, งานั้นเพราะฉะนั้นถ้าว่าเรารู้ว่ามันจริงนะเออไม่เป็นไม่เป็นจริงได้ยัางไงาเอมันอยู่ในตัวของเรามันเป็นจริงอย่า ง, งา น, นั้นนี่แหละในเมื่อเป็นจริงอย่า ง, งานั้น เราก็สอนใจทีสอนนาำมาทำคือตัวผู้รู้ที่รู้ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราใจนะอย่าหลงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งใจของเราเนี่ยก็จะแตกตายสลายลงไปสู่ดินน้ำลมไฟนะเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้ใจของเราก็เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมัน่นถือมันในกายจะไม่รู้จะยึดไปทาไม เพราะอีกสักวันหนึ่งมันจ ะ, จะต้องแตกจะต้องสลายอยู่แล้วจะต้องตายอยู่แล้วเพราะนั้นจิตใจไม่ยึดออไม่ให้ความสำคัญไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายในเมื่อเราพิจารณา ท, ท่่นทีรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วใจไม่รู้จะยึดไปเพื่ออะไรใจของเราก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น นั่นแหะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนิ่พิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะได้ถ้าเราพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกอันนี้ที่พูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นคือพูดตามแนวแถวภาคปฏิบัติว่าเราปฏิบัติไปไปถึงจุดไหนอย่างไรแต่พวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวชใหม่เพียงแต่ทําสมาธิทําจิตให้สงบ ทำจิตให้อยู่เพียงแค่นี้ก็นับว่าเป็นมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งแล้วสําหรับตัวเองถ้าว่าเราบวชเข้ามาทั้งทีทําจิตใจให้สงบไม่ได้จิตใจของเราปุงฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถ้าจะว่าเข้ามาแล้วก็เราได้รับความร่มเย็นเป็นฉุกในศาสนามีความสุขในระดับหนึ่งแต่เรายังไม่ได้ริมรสของพระธรรม พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในร่มต้นมะม่วงคือร่มพระพุทธศาสนาคือร่มต้นมะม่วงเราได้อยู่เข้ามาอยู่ร่มต้นมะม่วงแต่เรายังไม่ได้ริมรถผลมะม่วงฮะเรายังไม่ได้กินมะม่วงสุกก็พูดง่ายๆแต่ถ้าว่าเราได้ทําสมาธินี่สมาธิจิตของเราได้รับความสงบอันนี้เราได้กินผลมะม่วงได้ทานผลมะม่วงสุก รสอร่อยท่า น, นว่านัตทิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําจิตให้สงบได้แล้วนั่นแหละเราจะได้เชิดชูบูชาและอยกย่องที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านัตทิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีโอ้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราจะยืนยันด้วยตัวของเราเองเอไม่ใช่ว่าเราจะยืนยันตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรงนั้นนะเพราะเอาหลักฐานของเราที่ได้ปล่อยได้วางจิตใจของเราได้รับความสงบเนี่ยนะ เ, เป็นเครื่องยืนยันกับทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่านัตทิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหลักฐานที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเนาะยยืนยันนะแล้วก็พระพุทธเจ้าพูดจริงพูดถูกต้องเราได้รับความสงบจากจิตสงบในสงบจริงๆมีความสุขจริงๆจนหาความสุขอื่นที่เราได้พบได้เจอมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย เ, อเราพออกพอใจยินดีในเรื่องราวต่างๆไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของจิตสงบไหเราจะรู้ได้โดยตนเอง แต่บางท่านบางคนก็บอกครูบาอาจารย์บางองค์ท ว, ว่าสมาธิทำให้เนิ่นช้าไม่ต้องฝึกเรื่องสมาธิแต่ตามไม่จริงการฝึกสมาธิถ้าเราไม่ฝึกสมาธิเราพิจารณาทางด้านปัญญาโดยมากมันจะเป็นสัญญากับสังขารจะมากกว่าทางว่าพวกผู้ใดได้ฝึกฝนมาทางปัญญาล้วนๆหรือว่าคิด ป, ปัญญาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นอาจจะมีส่วนได้ เราไม่เถียงเราไม่พูดอะไรแต่ถ้าว่าพวกทันทาพัญญาพวกรู้ไรช้าแล้วมันต้องฝึกเรื่องสมาธิไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าพวกจิตปัญญาถึงจะฝึกสมาธิมันก็ไปไม่ดีกว่าพอจะกําหนดจิตเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ความสงบแล้วเนีเพราะว่าเคยฝึกมาแล้วเป็นจิต ป, ปัญญาแล้วจิตใจเขาเข้าสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาก็เห็นได้ชัดเนี่ย้จะปล่อยวางก็ปล่อยวางได้ง่ายเพราะเหตุใด เพราะท่านเหล่านั้นถ้าจะว่าแล้วก็เป็นท่านที่เกรดเอว่างั้นะอ่เป็นอัจฉริยะแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากเราจะต้องศึกษาจะทําสมาธิก็ยังจับผิดจับถูกถูถ่ายกันอยู่แล้วจะเดินวิปัจฉนาจะเลยคิดวิปัจฉนาโดยมากมันจะเป็นสัญญาสังขารสัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งมากกว่า น, นึกไปนึกไปนึกไปนึกไปแต่ผลที่สุดก็เออเอาเ้าวถูกต้องแล้วผลทีสุดไม่รู้จะพิจารณาอะไรอีกต่อไปและจบเนี่ยเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่ถ้าว่าพวกเราทําสมาธิดีแล้วจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่หิวโหวยจิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานออกไปข้างนอกจิตใจอยู่กับตัวเองเราจะเดินเหินไปที่ไหน มีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบเราก็รู้อารมณ์โกรธอารมณ์โลภโกรธลงพอใจไม่พอใจเราก็มีสติสมปชัญญะอยู่กับตัวเองนี่แหละถ้าเราทำได้อย่างนี้เราไปอยู่ในสถานที่ใดอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมูกับเพื่อนเราก็พยายามดูจิตดูใจของตนเองอยู่ตลอดลเวลาจิตใจของเราจะไม่กระเพื่อมจิตใจของเราจะไม่เป็นทุกข์ ในสิ่งที่ได้พบได้เห็นสิ่งที่พอใจและสิ่งที่ไม่พอใจถ้าสิ่งที่พอใจเราก็ไม่เกิดความสุขหลงลืมตัวจนกระโดโดรกรดเต้นมั้งนั่นแหละถ้าว่าสิ่งไหนที่เราไม่พอใจเราก็ไม่หง่อยไม่เงอไม่เศร้าไม่ซึมเพรอาะเหตุไรเพราะเราดูที่ใจของเราแล้วโลกอันนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเศร้าซึมก็เท่านั้นเสียใจก็เท่านั้นดีอกดีใจก็เท่านั้นะมันรู้เท่ารู้ทันในตัวนะถ้าเรา ฝึกสมาธิอ่จิตใจของเราเป็นสมาธิเราจิตใจของเราได้เดินปัญญาอ่าบางเป็นบางครั้งบางคราวแล้วนั่นแหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะพระใหม่นะในพรรษานี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนาอ่แล้วก็เดินจงกรมเห็นไม้ทางเดินจงกรมก็มีอยู่แล้วทุกกุติเราต้องปัดกวาดทาความสะอาดนะกุติของเราทุกองต้องปัดกวาด เจนาสนะของตนเองให้สะอาดแล้วก็ปัดกวาดพื้นให้สะอาดและที่หลับที่นอนของเราผ้าห่มของเราใช้แล้วก็พับให้เป็นระเบียบไม่ใช่ว่าทิ้งเกินไปหมดดูไม่ได้นะเราเป็นพระนะผ้าหม่มเราต้องพับไว้ถ้ามันมีกลิ่นก็เอามาซักแล้วขอบเสื้อพวกผ้าจีวงจีวรพับให้เป็นระเบียบบาตเวลาเราเอาขึ้นไปวางไว้ก็พับสายให้เรียบร้อย แล้วก็เปิดฝาไปก่อนพอไปถึงแล้วเปิดฝาไปก่อนเพราะว่ามันจะมีกลิ่นอับอกลิ่นอับเราเปิดฝาไว้พอตอนเย็นเราจะค่อยเอาฝาปิดแล้วก็พับสายให้เรียบร้อยการพับสายก็พับไปนู่นเรานอนไปทางไหนให้พับสายไปทางนั้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกการพับสายบาดนะอย่ไม่ให้พับขวางเรานอนหันหัวศีรษะไปทางไหนให้พับสายบาดตามนั้นนี่แหล ะ, เ, ะเวลา จากนั้นเราก็บริขารทุกอย่างให้เป็นระเบียบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าไตรสามผืนเนี่ยเอาไว้ข้างๆหมอนของเราหรือเอามีผ้าห่อเอาไว้พอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีเราเดินไปห้องน้ำํำเราก็ต้องหอบไปด้วยต้องดูนาฬิกาแล้วก็หอบผ้าไตรสามผืนไปด้วยทิ้งไม่ได้ผ้าไตรต้องรักษาออยู่ปรเาเชจากไตรจีวรแม้คืนแรกตรงนี้จะเคียปาริตนะีเพราะฉนั้นจะเป็นอบัตนะเพราะนั้นขอให้พวก พระใหม่ทั้งหลายเอเวลาจะหลับจะนอนเวลาจะพักผ่อนผ้าทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่เป็นระเบียบแล้วจากนั้นก่อเช็ดทําความสะอาดกุฏิของตนเองทั้งคังนอกทั้งคังในทั้งฝงทั้งฟ้าดยักจุง่งจักให่แมงมุมเอทั้งพื้นเนี่ยพื้นเราก็ต้องพยายามปัดกวาดพื้นข้างล่างนะเอบางทีเราไม่ปัดกวาดปวกมันทําลังขึ้นมาโดเดชขึ้นมานหละเขามากินพื้นขณะตัวเองนอนอยู่ข้างบน บวกมากินพื้นก็นยังไม่ดูน่ยแสดงว่าเราขาดการใส่ใจขาดการดูแลเสนาสนะอย่างมากถ้าว่ากุฏิลังไงท่าน้ำมันมันแห้งะน้ะํามันเครื่องร็กมีคูบาก็บอกมาถามคูบาพระเวนเนี่ยแล้วก็เอาถือใส่กระป๋องไปกระเทยหยดหยดใส่ล่างเอาไว้เพื่อไม่การมดกันแมลงป่องการปลวกขึ้นไปลังแก่เรา เวลาเรานั่งภาวนามต s ก็จะไม่มากัดมาตายเราเพราะเรากันไม่ให้มันขึ้นแล้วนะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราต้องพึ่งตนเองสรุปแล้วเรามาบวชเป็นพระเนี่ยเราต้องพึ่งตนเองนะอัตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เราเกิดมาเราต้องพึ่งตัวเอง แต่เมื่อ น, นั้นก็จะต้องค่อยพึ่งคนอื่นต่อไปอมีแต่ให้คนอื่นมาให้เป็นที่พึ่งของเราอยู่ตลอดไม่ได้นะอเราต้องพึ่งตนเองนะเราก็มาบวชเพราะฉะนั้นขอให้พวกพระใหม่ทั้งหลายทั้งอกตั้งใจและ ก, กัการอยู่การฉันก็จับรวมระวังนะมาฉันน้ําที่โรงน้ําร้อนอย่าคุยกันนะถ้าคุยกันแล้วไม่ใช่กฎระเบียบของหลวงพ่อจะพูดกันพุยกันกน็พูดให้น้อยที่สุดอถ้าไม่จาเป็นอย่าพูด อย่าใช้เสียงพระเก่าอย่าพาใช้เสียงพระเก่านี่แหละสําคัญนะเอใช้เสียงโบกเบียดจากนั้นพระใหม่ก็ต้องใช้แบบพระเก่าเอมันหากฎเกณฑ์ไม่ได้นะพระเก่าเนี่ยผมเห็นมาบอกแล้วบอกอีกอยากจะให้ผมบ่งชื่อแต่ว่าใครวะเออบอกมาหลายครั้งแล้วไม่รู้ที่เท่าไหร่พอมันไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะมันต้องเอาพระเก่าออกไปวะมีทางเดียวเท่านั้นแหละทางวานั้นก็ต้องเป็นตัวอย่าง พระเก่าต้องเป็นตัวอย่างของพระใหม่ไม่ใช่ชวนคุยคุยเรื่องสัพเพเหระไม่รู้ว่ถามอะไรต่อเมืออไรไม่สิ่งที่ไม่ควรถามก็ถามอย่างนี้มันไม่ถูกนะพระเก่านะเป็นตัวอย่างของพระใหม่นะต้องครูบาใหม่ต้องทำอย่างนั้นครูบาใหม่ต้องทำอย่างนี้อย่างองค์ที่จะไปภาวนาที่ไหนก็ตามก็ต้องบอกกับหมู่ไว้อย่างที่ท่าน ทำเยไม่ถูกเนี่ยเราจะไปภาวนาที่ไหนเราก็ต้องบอกเออถ้าไปหาผมไปหาตรงนั้นตรงนี้เนอะถ้ามีการประชุมแล้วไปเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกประชุมแบบด่วนผมผมจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่นะให้ไปหาผมได้เราก็ต้องบอกหมู่บอกเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิด ก, กันไม่ใช่ว่าต่างองค์ต่างไปหลบผลที่สุดก็ไปหากันอย่างนี้หามาเจอเปล่าประโยชน์ทั้งที่จะมาได้ยินได้ฟังมาประชุมหาหรือกันว่า กิจวัดขอวัดของเราจะทํำยังไงพระใหม่พระเก่าควรทาตัวอย่างไรเยผลที่สุดก็เลยเปล่าประโยชน์อ่เพราะเหตุใดปะหากันไม่เจอเย่านี้เสียเวล่วเวลาอีกต่างหากอันนี้แปลว่าถ้าไม่ว่างโงกเพราอะไรอเอี่ยผมเคยอยู่กับครูบาอาจารย์มาแล้วบางทีเราจะไปภาวนาอยู่ตามลํำทางที่ไหนแล้วก็ก็ชีพ บ, บอกว่าออวันนี้ผมจะไปภาวนาตรงนั้นตรงนี้นะเนยกุฏิห ล, ลัง น, นั้นนะร้านหลังนั้นนะถ้ามีประชุมไปบอกผมได้นาะ ให้สัญญาณผมผมจะมาใช่อันนี้แหละคือบอกกันเอาไว้ไม่ใช่ว่าตัวเองหลบไปแล้วไม่ได้บอกใครผลที่สุดก็เปล่าประโยชน์อย่างนี้เสียการปกครองอีกต่างหากไม่เป็นผลดีในการอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอพระใหม่เคยตั้งใจในพรรษาเนี่ยอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มีราวถ้าตัวเองจะอยู่ไม่ไหวก็ให้รู้จักตัวเอง ผมไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามถ้าอยู่ไม่ได้จริงๆงไม่ไหวจริงจริงก็งให้บอกพวกผมสอนแต่พระที่ดีพระดีคนดีคนตั้งใจถ้าคนไหนก็ตามพระองค์ไหนก็ตามไม่ตั้งใจก็บอกเลยไม่ต้องอยู่ผมสอนเฉพาะคนที่ตั้งใจอยากจะอยู่แต่ว่าถึงยังไงให้พวกท่านทั้งหลายอดทนอดทนอย่างอื่นเรายังอดทนมาแล้วนี่เราอดทนเพื่อฝึกฝนตน ฝึกฝนตนในพระพุทธศาสนาถ้าฝึกฝนตนดีแล้วออกไปข้างนอกก็ดีหมดถ้าฝึกฝนตนเองไม่ได้ออกไปข้างนอกก็อย่างนั้นแหละเป็นคนเปล่าประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นเป็นพระเราก็ต้องเป็นพระที่สมบูรณ์ให้เป็นพระที่สมบูรณ์แบบออย่าให้ขาดตกบกพ่องครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรให้ฟังให้ศึกษาและทัมูพวกเพื่อนพาปฏิบัติยังไงให้เราฟัง ไม่ใช่ว่าพราหมไปเรื่อยคุยไปเรื่อยไม่ได้นะอย่าเป็นนักพูดนักคุยไม่ได้นะวัดของผมไม่ใช่นักพูดนักคุยนะฟังแต่ไปชื่อว่านักปฏิบัตินะเราปฏิบัติไหมถ้าเรามาเข้ามาแล้วโม้คุยกันนะ่ะไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ถูกเอนะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะดูสารวมกายวายจาของตนเองคําว่าวาจาคืออะไรก็คือคําพูดนั่นแนหะ กายอะไรก็คือร่างกายกคือการเป็นอยู่ของเราให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่ใช่ว่าเราเข้ามาบวชแล้วทำเหมือนตัวเหมือนคารวา์จะเป็นผู้มีศีลได้ยังไงอหจะเป็นผู้มีศีลได้แต่สำรวมกายให้เรียบร้อยวาจาของเราอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องให้พูดให้เป็นศีลเป็นธรรมแล้วก็พยายามท่องบนสาธยาย ในการทำวัดสวดมนต์ให้ได้หนังสือสวดมนต์ถ้าเป็นไปได้ให้สวดให้ท่องอไม่ใช่ว่าจะท่องเอสาหางจบแล้วก็จบเพียงแค่นั้นไม่ใช่ทำวัดเย็นทาวัดเช้าของเราทำได้ไหมเราก็ท้องพยายามท่องบนสาธยายให้ได้นะนี่แหละอันนี้คือเราเตรียมเอาไว้แล้วก็พร้อมกันก็พระเก่าก็าให้แนะนำอธิษฐานตันนะ้สาเนอิมัตจมิ่งอาวยเซอิมังเตมาซังวัดซั่งอุเปมะ อันนี้ก็พยายามท่องให้ได้แล้วก็วิธีการท่องอบัติแสดงอาบัตทํำยังไงเพราะก่อนที่จะเข้าปรรษาเนี่ยวันวอสสรหัมบูชาข้างหน้านไม่กี่วันน่ะเพียงเจ็ดแปดเก้าวันนั่นเองที่จะเข้าพรรษาของพวกเราเพราะนัน้เตรียมพร้อมนะผ้าใหม่นะอครูบาเก่าก็พยายามแนะนําสั่งสอนแล้วก็พร้อมกันครูบาเก่านะั่นพยายามหาหนังสือพุทธประวัติให้อ่าน นะนะพุทธประวัติให้อ่านที่เข้าใจง่ายๆมีหนังสือต่าเยอะแยะเพราะนั้นรุ่นพี่ทั้งหลายให้ช่วยกันคิดนะอให้เข้าว่าจะทํายังไงพวกน้องๆของเราที่เข้ามาศึกษาใหม่เนี่ยจะได้รับความรู้ความฉลาดกว้างขวางในพระพุทธศาสนาจะรู้เข้าใจได้ในหลักของพุทธศาสนาจะให้ศึกษาหนังสือเล่มไหนพระรุ่นพี่รุ่นเก่านี่ควรจะแนะนะําล่ะเอ่ อยาให้ผมแนะนําพวกท่านทั้งหลายแนะนำํำจากนั้นจะเอาหนังสือให้คนละเล่มละเล่มเพื่อไปอ่านอพวกท่านทั้งหลายเมื่อได้เห็นสือแต่ก็ไปศึกษาพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรท่านจริงนี้ออกไปบวชแล้ก็สาวกประวัติธรรมปฏิทัตกตรถาแต่และเล่มเราก็ให้อ่านอีกเอกจากนั้นก็เรื่องพระวินยัยนวโกวาทแล้วก็ให้ศึกษาไปอ่านอกีกจากนั้นจะใหุท่องสวดมนต์นี่แหละพระพี่เลี้ยงต้องช่วยๆกันดู อแนะนําให้ความรู้ความฉลาดแก่พระรุ่นน้องๆที่เข้ามาศึกษาใหม่ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็จะดีเอาเลยไม่ได้นะพระเก่าก็เฉยๆเมยๆไม่ได้ดูไม่ได้แลกกัน่ไม่ได้นะ อ, อนี่แหละต่อไปภายภาคหน้างคือเนี่ยคือพวกทายาทของพวกเราที่เข้ามาบวชทั้งหมดเราเป็นทายาทต่อไปจะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาแต่พวกเราก็เป็นพระสงฆ์ฝ่ายข้างในแต่พวกที่เข้ามาบวช ศึกออกไปก็ได้รับธรรมะเอจากนั้นก็เป็นอุบาสกเอแนะนําสั่งสอนครอบครัวต่อไปก็เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพระพุทธศาสนาพวกเราแนะนําดีมันก็อเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่แนะนําแนะนําไม่ดีเข้ามาแล้วก็เป็นไม้เบือ่อไม้เมาเออไม่ได้แนะนําอะไรสั่งสอนคนที่สุดก็ไม่มีศรัทธาเพอ้อเพ้อทียังเป็นพิษเป็นภัยกับ พระพุทธศาสนาอีกเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้ศึกษาที่ดีถ้าวัดศึกษาที่ดีแล้วพวกเราจะรู้บุญคุณของพระพุทธศาสนาเน่ยพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนยังไงท่านแนะนําอย่างไ ร, ท, นนงไรท่านมีเมตตาอย่างไรกับพวกเราพวกเราได้รับความอบอุ่นในการเข้ามาบวชในครั้งนี้เพราะฉนั้นพวกพระใหม่นะพระเก่านะให้คือช่วยกันดูนะสําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็บอกกับพวก พระทุกองนั่นแหละมีอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรบอกหลวงพ่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็บอกหลวงพ่อก็จะแนะนำเพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าพวกลับพระใหม่ทุกสิ ท, ทุกหาผู้ที่เข้ามาปวดใหม่นั่นแะให้ตั้งอกตั้งใจสรุปแล้วมาบวชคราวนี้เพียงสามเดือนรู้แก่ใจเราไม่ได้บวชอะไรมากมายนักหนาสามเดือนยังเอาดีไม่ได้มันก็แย่มอนกันนะ เอ่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดกับพ่อก่อกับครูทั้งนั้นแหละให้ใหญ่กับพ่อก่อกับครูอถ้าเราไม่ได้ใหญ่กับพ่อก่อกับครูนะมันเดินผิดเอไม่รู้จักการกินเวลากินเอเวลานอนเวลาทํางานไม่รู้จากกากักทั้งหมดเวลาทํางานก็ไม่รู้เวลากินก็ไม่รู้เวลานอนก็ไม่รู้เพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาไม่รู้จักแนวแถวครูบาอาจาร ไม่เหมือนฆราวาสนะพระนะไม่เหมือนฆรวาสวัดเห็นไหมอยู่ในฟอร์มอย่างนี้ศีรษะเรายังปรงผมทิ้งบางที่โลกเขาถือว่าเป็นของนเนี่ยเฉดเฉงดงามเราปรงผมทิ้งและก็ผ้าก็เหมือนกันแต่ไม่มีสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีเขียวสีดําอะไรสีอันเดียวกันหมดจะไปเข้างานไหนจะไปงานมงคลงานอภิมงคล เ, เราก็ใช้สีอันเดียวนี้ทั้งหมด นี่แหะคือนักบวดพระเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาแต่ที่วิถีชีวิตของพระเราควรทําตัวอย่างไรอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงอทํางานยังไงอันนี้ทํางานทําอย่างไรการทํางานของพระสิ่งเหล่านี้เราต้องได้ศึกษาสรุปแล้วก็คือใหญ่กับพ่อกอกับภูถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใหญ่กับพ่อกอกับภูนั้น เกิดความเสียหายได้ hey, อย่างพระในครั้งพุทธกาลก็เหมือนกันมีพระองค์หนึ่งบวชเข้ามาแล้วทําอะไรตามอำเภอใจตามมัทธาใจเวลาอยากจะนอนเวลาไหนก็นอนตื่นขึ้นมาแล้วก็หมู่เดินอยองกลมตัวเองก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้โ ป, ป, ป๊กโปกเปกเอกพระสงฆ์ก็ไม่รู้จะทํำยังไงบอกแล้วบอกอีกเอ hey, พระองค์นี้ทำไมไม่รู้จักกาละเทศะ อไม่จุกเวลาคนคนอื่นเขานอนตัวเองก็ลุกขึ้นมาทํางานอปัดกวาดยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาคนอื่นเขาทําตัวเองก็นอนโุ้ยอทําไมไม่รู้จักการจัดงานไม่รู้จักการทํางานไม่รู้จักเวลาของคนอื่นเขาตรนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเขาก็มาสนทนามาพูดในอสาราสาลาใหญ่เห้ือนกันในวัดป่าเชตตะวันพระพุทธเจ้า ท่านได้ยินพระสงฆ์ด้วยทิพด้วยทิพโส ต, ตะให้เขาว่าได้ยินด้วยหูทิพของพระ อ, องค์อถ้าเราลงไปถามนี่ก็คงจะเกิดประโยชน์แหะพระพุทธองค์ก็ได้ยินด้วยหูทิพของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็เดินลงมาเดินลงมาท่านก็ถามว่าภิกษุท่านทั้งหลายสนทนาการเรื่องอะไรพระเหล่านั้นก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าด้วยเรื่องภิกษุองค์นั้นกระผม ไม่รู้จักกาละเทสะเอาเลยเวลาหมูพักผ่อนตัวเองก็ลุกมาทํางานเวลาหมูทํางานรวมกลุม่มตัวเองก็ไม่ได้สนใจไปหานอนก็เลยทําให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดแต่ละวีดแต่ละวันพระเจ้าขาพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยพระองค์นี้มันทํายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ใช่แต่ชาตินี้เท่านั้นนะแต่ชาติที่แล้วมันก็เคยทําอย่างนี้แหละจนเขาบีบคอบิดคอซะตายซะ จ, งจึงแล้ว จึงหยุดเรื่องเหมนกันพระสงฆ์เหล่านั้นก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเรื่องมันเป็นยังไงพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมัยหนึ่งที่กรุงพลาณสีมีทิศสะปามโมกอาจารย์มิทิสะปามโมกอาจารย์คือเป็นเป็นอาจารย์สอนพวกคุณระบุตรว่างั้นเถอสอนวิชาให้แก่คุณระบุตรเหมือนกับมหาวิทยาลัยอย่างเนี้ยอแต่ว่าสมัยนั้นใครเป็น ทิศปามโมกเป็นว่าอัจฉริยะเป็นคนเดียวสอนวิชาให้แก่นักศึกษาถ้าว่านักศึกษาอยากจะเรียนคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์กฎหมายอย่างนี้หรือเพลงดาบอาวุธใช้อาวุธอย่างนี้ยวิชาศึกสงครามอย่างนี้อใครอยากจะเรียนวิชาไหนก็เข้าไปหาทิศปามโมกอาจารย์อาจารย์บางอาจารย์บางทนทั้งหมด สืบท อ, อดมันจังติดเจ็ดชั่วตระกูลของท่านท่านก็เก่งได้ทุกวิชาที่จะแนะนําสั่งสอนสิทธิ์เพรงั้นแต่แตอนนี้สิทธิ์จะเข้าไปศึกษาทั้งห้าร้อยห้าร้อยคนเข้าไปก็สิทธ์ทั้งหลายก็เออเอาไก่มาเลี้ยงวะเขเลยเอาไก่บ้านมาเลี้ยงพอไก่มากก็เอาไปมันก็อยู่ในกลุ่มของเขาเพรางั้นเนี่ให้เข้าไปสร้างอาณาจักรของตัวเอง ห่างจากชุมชนเพื่อจะได้เรียนได้ศึกษาในวิชาของตัวเองแต่นี้ที่ศาสตราโมกอาจารย์เขาสอนพอสอนเสร็จแล้วก็ให้ท่องอย่างนี้นะให้สาธยาอย่างนี้นะือตำรับตหรับตา ร, รามีแต่นี้พวกนั้นก็เลี้ยงไก่เอาไวไก่ตัวหนึ่งพอถึงเวลามันก็ขันเออแก้ได้เองพวกนักศึกษาเออมันยังขันทีแรกพอขันที่สองเออลุกขึ้นมาได้ ท่องหนังสือแต่แต่บางคนก็เอาพอเราท่องหนังสือไม่เก่งว่ะท่องไม่ได้ขันทีแรกเราก็ลุกขึ้นมาท่องหนังสือเลยเพื่อให้ใ ห, ให้ได้เอขันทีแรกขันที่สองขันที่สามก็สว่างเลยตอนนี้พวกนักศึกษาทั้งห้าร้อยคนนั่นกนะ็เลยอาศัยไก่ทานายมันขันได้เวลาแล้วก็ลุกมาท่องสาทยานบนที่อาจารย์ให้ข้อเขียนเรื่องให้การบ้านมานั่นแนหะเป็นประจําต่อมาตัวไก่ตัวนั้นก็เลยตาย แม่มันก็เท่าแก่าฉลามก็ตายเหงืนั้นเถอะพอตายตอนนี้พวกนักศึกษาแพทย์เรานั่งเลยไปจับไก่มาอีกตัวหนึ่งเอามาเลี้ยงเอาไว้ลูกไก่น้อยเอามาเลี้ยงไว้เป็นไก่พ่มันก็ขันทีนี่มันเป็นลูกไก่ป่าทีนี้อมันไม่ใช่ลูกไก่บ้านที่ใหญ่กับพ่อกอกับครูวหมือนกันเถอะเป็นลูกไก่ป่ามันก็อยู่แบบปรบๆรบซ่อนๆ น, นักศึกษาเนี่ยก็เลยเอามาเลี้ยงไว้พอเลี้ยงมันก็เชื่องกับคน แต่นั่นเขาก็ปล่อยไว้มันก็ขันเห็นมันขันไม่รู้จักเวลาเวลาวันไหนมันได้กินอาหารดีเอมันกินอาหารพอสามสี่ห้าทุ่มห้าหกทุ่มมันก็ขันแหละพวกนักศึกษากระตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าไก่ขันแลลุกมันก็ไม่สว่างสักทีเพราะไม่มีนาฬิกาเหมือนยุคนี้ใช่ไหมอาศัยไก่ขันเบางทีก็ไก่ขี้เกียจขันมันมันตื่นสายตีห้ายังค่อยขันขันขึ้นมาลุกมาสว่างแล้ะโอ้ตายตายต ปรึกษาอะไรถึงเอ า, จาใจใครว่าไก่ตัวนี้ว่าขันไม่รู้จักเวลาทําให้พวกเราเสียพราะเราตื่นดึกขึ้นมาแล้วก็มันไม่ได้เต็มมันนอนไม่อิม่มอจะซ่องมนสาทยายก็ไม่ได้ทั้งวีทั้งวันก็นสับประงกเวลาอาจารย์สอนวิชาให้ทอนี้ก็บางครั้งพอสว่างจนพอแรงแล้วไก่ยังค่อยขันทําอะไรก็ไม่ถูกทีนี่เนีพราะมันสว่างแล้ว ก็เลยปรึกษากันโอ้ไม่ได้ไก่ตัวนี้ถ้าขืนเอาไว้เนี่ยพวกเราต้องเสียวิชาอนาคตของเราแน่แนเพราะเรานอนไม่รู้จักเวล่ำเวลาอีกต่างหากเพราะไก่ตัวนี้วิชาทั้งที่เราจะรู้ได้กับมาเสียเวลากับไก่ตัวนี้ถ้าเอาไก่ตัวอื่นมาอีกมันก็จะขันไม่รู้จักเวลาเหมือนกับไก่ตัวนี้อีกพวกลูกศิษย์ก็เลยรวมกันเลยจับไก่ตัว น, นั้นมาก็เลยบิดคอซะไก่ตัวนั้นก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วก็เลยไปหาอาจารย์อาจารย์ครับไก่ตัว อ, อที่ขันทุกวันเนี้ พวกผมบิดคอมันตายแล้วนะงั้นทําไมอาจารย์ถามว่าทําไมเพราะว่าไก่ตัวก่อนมันขันเป็นเวลาเวลาพวกผมได้ประโยชน์จากไก่ตัวนั้นมากแต่ไก่ตัวนี้มันขันไม่รู้จักเว ล, เวลาเลยทําให้ผมเสียประโยชน์กับไก่ตัวนี้บางทีตื่นมาเออให้ขันสี่ห้าทุ่มลุกขึ้นมาคือว่าจะท่องสาทยายหมหอดกลับมันไม่สว่างสักทีบางทีก็ขันจนสว่างแล้วจังค่อยขันก็ผมเห็นว่า เอาขือ่อเอาไว้ก็คงจะไม่เกิดประโยชน์ทําให้เสียเวลาแล้ะเอาไก่ตัวอื่นมาเลี้ยงไม่อีกมันคงจะเรียนวิชาตัวนี้อีกพวกผมก็เลยบิดคอมันทิ้งอาจารย์ก็วเออนี่แหละใครก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้เรียนรู้ เ, ออเรียนรู้จากพ่อกอจากครูไม่ได้เรียนไม่ได้ใหญ่จับกับครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียนรู้จากพ่อจากแม่เ อ, อแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วก็นเนี่ยเหมือนกสไก่ป่าตัวนี้แหละ ไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรไม่รู้จักกาละเทศะเวลาขันเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะเหตุไรเพราะมันใหญ่มาแบบไก่ป่ามันไม่ได้มันไม่ได้เรียนรู้เหมือนกับไก่บ้านเพราะนั้นไก่ตัวนี้มันตายเพราะมันไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์มันไม่ได้เรียนรู้จากพ่อจากแม่ของมันนะ่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเป็นอยู่หรือการอยู่ด้วยกันต้องรู้จักกาลเทสะ อ, อัตตัญญุตาอัถัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุออมัตตัญญุตามัตัญญูตารู้จักประมาณในการเป็นอยู่การันยุตารู้จักการเวลาปริสันยุตารู้ให้รู้จักไปชุมชนนะปุคระประโรปรัญยุตาให้รู้จักบุคคลควรที่ควรครบค้าสมาคมอย่างไร ให้รู้จักบุคคลบุคคลประโภคยุตตาให้รู้จักแยกแยะให้รู้จักคบนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนาให้รู้จักตนเองรู้จักเหตุเหตุทีมงง่มันมาอย่างไงมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้เราคิดยังไงมาทํายังไงมันจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของคู่คนอไม่เป็นที่ยอมรับของครูบาอาจารย์ไม่เป็นที่ยอมรับของหมู่คณะมันเป็นเหตุมาอย่างไรเราก็ต้องตรวจ ด, ดูหาเหตุอันนี้ว่า เหตและผลผลมันเป็นมาอย่างนี้อันนั้นเป็นเหตุเป็นมาอย่างนี้เนอัตถันยุตาายตาอัตันยุตตาแมตันยุตตารู้จักประมาณในการเลี้ยงชีพของตนเองบริสัญุตารู้จักประชุมชนขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะเแล้วก็ไก่ตาตัวนั้นก็ตายเพราะว่าอันไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักการเวลาของตนเองพระพุทธนะเจ้าบอกว่าเนี่ยไก่ตัวนั้นนะี่ยชาตินี้ก็มาเกิดเป็นภิกษุองค์นี้แหละ เนี่ยมันไม่รู้จักกาลเทศะเพราะมันเกิดคือเป็นไก่ป่าตัวนั้นแหละมาเกิดรนยทิศปพโมกนะี่ยคือเราเราตถาคตเนี่ยนะเป็นทิัปพโมกแต่ลูกศิษย์ลูกหาคราวนั้นกับพวกท่านทายที่เป็นในลูกศิษย์ลูกหาในคราวนั้นฮะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านบอกสอนนิทานเรื่องนี้เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นการกล่าวย้ำเตือนว่า พวกเราควรใจใหญ่กับพ่อก่อกับครูจรึงจะรู้จักสิ่งควรไม่ควรสิ่งที่ควรทำอย่างไงไม่ควรทําอย่างไรอไม่ใช่ว่าใหญ่ขึ้นมาเพราะโลภพล่าเหมือนไก่ป่ า, าผลที่สุดไปทําที่ไหนคนเขาก็ตําหนิได้เพราะเหตุใดเพราะว่ามันทําไม่ถูกต้องอทําทไม่ถูกต้องอไม่มีเหตุไม่มีผลในการเป็นอยู่ของของตนเองนั้นพวกเราทุกๆ คนนะเนีเขามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้ก่อนนี่แหละผมย้ำแล้วย้ำอีกอยากจะให้เป็นพระใหม่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์เป็นผู้รับพวกท่านทั้งหลายมาไม่ได้รับเพื่ออย่างอื่นนะรับมาเพื่อแนะนำสั่งสอนถ้าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเข้ามาบวชเพื่ออะไร มาเห็นแก่อยู่แก่กินแก่ลับแกนอนอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเข้ามาบวชเพื่อการศึกษาเพื่อการปฏิบัติเพื่ อ, ร ป, อรปรับปรุงกายวาจาใจของของตอนเองและจากนั้นเราก็จะได้นําทาคำสอนในหลักของพระพุทธศาสนานําไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราเมื่อเป็นครวาตเราก็จะเป็นครวาตที่ดีมีความสุขทางด้านจิตใจ รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทางหนีทีไรรู้จักการวางตัวของเราเราทำได้อย่างนั้น <S <S 1> <S 1> เรามีแต่ความสงบนะท่นีมีแต่ความผาสุกในจิตในใจเพราะนั้นวันนี้ผมได้พูดเกี่ยวกับภาคปฏิบัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตั้งแต่ริเริ่มเรื่องศีลการเป็นอยู่สมาธิทำจิตใจยังไงค น, นิขณิกาอุปจาระอ ป, ปนา เดินยังไงแล้วก็เดินวิปัสนาเดินยังไงแหมแล้วก็มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเรื่องสมาธิและวิปัสนานะและ้วก็การอยู่ด้วยกันแหมควรสำรวมระวังแล้วก็ให้ใหญ่กับพ่อกอกับครูไว้เหมือนกับไก่ป่าไก่บ้านอย่างนั้นแหมให้รู้จักการสถานที่บุคคลในการเป็นอยู่ถ้าพวกเราถับได้อย่างนั้นความสงบร่มเย็นเป็นถุก ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายนะจบแล้วก็คือการบวชอดทนนะอดทนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอตอนบ่ายก็เอา้าดื่มน้ําปลาน่งปานะอตามที่มันมีอยู่แต่ก็พร้อมกันก็อย่าไปคุยกันย้ําอีกแล้วย้ําอีกนะอย่าคุยกันพระเก่าต้องแนะนําอย่าพาพระใหม่ทำท่าว่าองค์ไหนก็ตามพาพระใหม่ทํำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งที่ผมสอนแล้วผมสอนอีกให้เป็นตัวอย่างของพระใหม่แล้วพระเก่าทําช้เองให้บอกผมนะผมจะไม่ให้เป็นตัวอย่างต่อไปภายภาคหน้าอีกผมไม่ต้องการสําหรับหมูพวกเพื่อนที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสอนเท่าไหร่มันก็ยังว่าออันนี้เป็นคําพูดขององค์หลวงตานะนี่ที่ผมพูดหลวงตาท่านพูดอย่างนั้นท่านแนะนําอย่างนั้นเอคือพระใหม่พระเก่า เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของพระใหม่ไม่ใช่ว่าทั้งใหม่ทั้งเก่าเข้ามาแล้วเป็นตัวอย่างกันไม่ได้ขยํากันไปหมดท่านว่า้เละตุ่มเป๊ะไปหมดเนียจะทํำยังไงทั้งที่เราก็สอนมาแล้วทั้งที่รู้มาแล้วสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนควรคิดสิ่งไหนควรพูดเราสอนแล้วแต่ยังทําตัวไม่ได้บอกว่าอันนี้คือหลวงตาท่านเด็ดขาดนะเพราะท่านพวกเราท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้เ ผมตาท่านพูดผมเอฟังศึกษาดูแล้วเป็นความที่ถูกต้องนะ เ, เมื่อได้ฝึกได้สอนแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างของพวกน้องๆจริงจะถูกนะเหมือนกับนักเรียนนยนักเรียนพอสี่แล้วก็สอนปอหนึ่งได้แต่ตั ว, ต ว, ตวมันเล็กเกินไปอย่างว่า น, นั่นนะแต่ถึงยังไงจะทําเป็นตัวอย่างให้พวกน้องๆ้เขาเห็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะเอาตอนนี้ไปเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีเดินจงกรม ให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้เห็นนะเพราะว่าการเดินจงกลมนี่ก็เวลาเดินยมกลมพวกท่านทั้งหลายยังไม่เคยเห็นตัวอย่างวิธีจะเดินก็เดี๋ยวก็เจ๊กเกกลางๆเอ๊เดินผิดจะเดินถูกเนาะถ้าเห็นถ้าเดินไม่ถูกเดี๋ยวหมู่พระอพวกเพื่อนเขาก็จะหัวเราะเอาทีนี่นะจะหัวเราะเอาเพราะนั้นการเดินยมกลมดิทางที่ถูกต้องเดินอย่างไรเนาะพวกท่านทั้งหลายก็คงจะ มีความสงสัยในจิตใจเพราะฉะนั้นผมจะสาธิตวิธีเดินโยงกลมให้แก่พวกท่านทั้งหลายให้ได้เห็นและก็พวกท่านทงหลายเดินเลยทีนี้อไม่ต้องกระดาษที่ผมแนะนำํำถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นาสั่งสอนมาเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้เดินให้มากเดินยยงกลมต้องเดินให้มากอนะ่ะเดินเป็นชั่วโมงชั่วโงบางองค์ก็ถูกกับจริตในการเดินนะ แต่บางองค์กระถุกกับจิตในการนั่งแต่พยายามเดินถ้าเดินการเคลื่อนไหวของกายตลอดดีสุขภาพก็จะดีเพอเราได้เดินแต่ถ้าเรามีแต่นั่งกับนอนไม่ได้นะมันมันหมกจิตใจมันหมกจิตใจมันไม่กระปี้กระเป๋าจิตใจมันไม่วิ่งอะไรกันเถอะนะนี่ผมจะสาธิตในการเดินให้แกพวกท่านทั้งหลายให้ได้เห็นนะ เพรานพวกเราไม่ต้องอายไม่ต้องเขินในการเดินนะนี่แหละที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะี่ยถูกต้องตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะเวลาเราจะออกจากสมาธิทีีเราก็ปนมมืออย่างที่เราเดินะนะั่นแหะปนมมือในสิทธิทสุดทางจังกลมเราก็นึกพุโทโธธรรมโอสังโฆพุโทโธธรรมโอสังโฆสามจบ จากนันก็แผ่เมตตาที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญจิตภาวนาเดินยกรมในครั้งนี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ภาวนาบุญกุศลนี้ขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติาวิจาริยเจ้ากรรมนายเวตรตลอดปิ ญ, ญิยมทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในภาวนา ะในครั้งนี้ด้วยเทินคะในจิตในใจแผลเบตตาเจ้าก่อนจะค่อยออกจากทางเดินยังกลมในเมื่อเราออกจากทางเดินยงนกลมแล้วเราก็ขึ้นกุฏิเลยแต่เนี่ยพอขึ้นกุฏิเสร็จแล้วไหว้พักไหว้พายจอดพอไหว้เสร็จแล้วนั่งสมาธิเลยเพราะในขณะที่เราเดินยังกลมเี่ยจิตจะสงบในขณะที่เดินยากแต่สงบไหมสงบอจิตสงบในทางเดินยังกลมเลยจะนิ่งกว่าจะละเอียดกว่าฮ แต่ทีนี้ในขณะที่เราเดินน่จะสงบจะยากกว่าใช่ไหมใช่แต่เราพอขึ้นไปแล้วก็กราบพระยน่นย่อจากนั้นเราขัดสมาธิทันทีเลยนั่งสมาธิเลยคือทําจิตให้ต่อเนื่องในขณะที่เดินกายของเรามันมันไหวมันมันแข็งมันไม่สงบแต่พอเรานั่งสมาธิเนิ่งถึงร่างกายมันนิ่งกําหนดลมหายใจเข้าไปพกกันนิ่งจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายแย่เพราะนั้นพวกเราทําให้ต่อเนื่องนะเมื่อทางเดินกรมเสร็จแล้วก็ น, นั่งสมาธิ น, นะจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบไม่เหลือวพิสัยนะพวกเราท่านทั้งหลายนะต้องฝึกนะเรื่องสมาธิเนี่ยถ้าว่าเราฝึกได้แล้วนะไม่มีอะไรที่จะสุขยิ่งกว่าความสงบอย่างที่พระรทำคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้นะทีเ้เรื่องเกี่ยวกับวินัยนะถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกพนกักกว่าอยากจะศึกษาที่พระ ที่ท่านอ่านให้ฟังเนะี่ยที่อ่านจบลงไปแล้วนั้นน่ะก็คือหนังสือนวโกวาดนะเอาไปอ่านาไปศึกษาดูแต่ศิลและวินัยนี่ก็บัญญัติในครั้งกนันโนแต่บางชิคขาบทก็เป็นมันเหมือนกับถ้ากฎหมายก็คือกฎหมายตายคล้ายความไม่ได้ใช้อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะพระวินัยบางสิกขาบทก็ไม่ได้ใช้อย่างภิกษุทำกองเข็ม ด้วยเขาก็ดีด้วยงาก็ดีต้องปลาจิตตีต้องทําลายซะก่อนจึงแสดงอวบ ต, ตกอย่างนี้แต่ทุกวันนี้ไม่จําเป็นนั่นอ่ะเพราะมันไม่ได้ใช้แล้วะเอาเข็มมาเล่มเดียวก็พอแล้วมาก็เย็บๆเสียผ้านั่นน่ะอะแล้วก็ได้มีนะคือบางสิกคาบางบทบางพินยัยบางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้แต่บางอย่างมันก็จําเป็นได้ใช่ออย่างที่เสียขียวัด เราจะไม่ฉันทังจับจับเราจะไม่ฉันดูดังสุดสูดเราจะไม่ฉันเลียมือเราจะไม่ฉันเลียริมฝีปากเราจะไม่โยนข้าข้าวเข้าปากเราจะไม่ฉันกัดข้าข้าวเราจะไม่ฉันทํากับพุ้งแก้มให้ตัวเองมันเป็นเป็นภวินัยทั้งหมดนะเป็นมรารยาททั้งหมดอันนี้พวกเราจะต้องได้ฟังได้ศึกษาขอให้พวกเราศึกษาดูนะวินัยแต่ไม่ใช่ให้อ่านอย่างที่ผมว่าน่ะไม่ให้อ่าน เป็นจริงเป็นจังจดจำทั้งหมดไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าควรจะรู้เอาไว้ประสินและวินัยของเราเป็นยังไงวินัยของพระเจ้าบัญญัติไว้เนะ่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติจังไรนะพวกเราควรจะศึกษานะ